บุรุษบุคคลนี่พระพุทธเจ้าได้รัสเอาไว้ว่าประกอบด้วยธาตุหกคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศทั้งห้านี้เป็นธาตุที่ไม่มีความรู้ในตัวและวิญญาณธาตุคือธาตุรู้เป็นข้อที่หก เพราะฉะนั้นเก่งรู้อะไรอะไรได้และวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้หรือที่เรียกว่าจิตในที่นี้พระพุทธเจ้า่าตรัดเอาไว้ว่าเป็นธรรมชาติประพัดสอนคือผุดผ่องแต่เมื่อ ยังไม่ได้ปฏิบัติทรรมกิตภ า, ภาวนาคือการอบรมจิตจิตหรือธาตุรู้นี้ก็ยังประกอบในอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงอันหมายถึงว่า แม้จะเป็นทาดรู้แต่ก็เป็นความรู้ผิดรู้หลงไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นอวิชชาดังที่ได้แสดงแล้วแต่เพราะอาวิชชาคือไม่รู้นี่เองจึงเป็นเหตุให้ปรุงแต่ง แต่งเพื่ออะไรก็เพื่อให้รู้นั่นเองเหมือนอย่างบุคคลที่ไม่รู้ในเรื่องอะไรเมื่อต้องการจะรู้ในเรื่องนั้นก็ต้องปรุงแต่งเช่นว่าต้อง ควต้องไต่ถามสะดับกลับฟังต้องสืบสวนสอบสวนต้องคิดพินิษพิจารณาเพื่อจะให้รู้ในเรื่องนั้นนี่คือสังขารคือปรุงแต่งและเมื่อรู้แล้วก็เป็นอันว่าหยุด เพื่ที่จะรู้ในเรื่องนั้นได้แต่ว่าที่ว่าคิดว่ารู้แล้วนั่นบางทีก็ไม่ใคยรู้จริงรู้ถูกเป็นความรู้ผิดรู้หลงก็มีก็เป็นอันว่าก็คงเป็นอวิชชาคือไม่รู้อยู่นั่นเองแต่สําคัญว่ารู้ เพราะฉะนั้นจึงยังมีสังขารคือปรุงแต่งอันหมายความว่าความรู้ที่คิดว่ารู้นั้นไม่ใช่เป็นตัวความรู้แต่เป็นความปรุงแต่งขึ้นว่ารู้คือไม่ใช่รู้จริงเมื่อไม่ใช่รู้จริงความรู้นั้นจึงเป็นความปรุงแต่งปรุงแต่งขึ้นว่ารู้ ไม่จะเป็นความรู้จริงต่อเมื่อเป็นความรู้จริงจิงจะไม่ใช่เป็นสังขารคือความปรุงแต่งเพราะฉะนั้นวิชาคือความรู้ที่บังเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าในอริยสัจสี่ท่านจึงได้แสดงไว้ว่าจักสุคือ ด, ดวงตาผุดขึ้น ญาณคือความอย่างรู้ผุดขึ้นปัญญาคือความรู้ทั่วถึงผุดขึ้นวิชาคือความรู้ถูกต้องผุดขึ้นอโลกะคือความสว่างผุดขึ้นในธรรมะทั้งหลายที่ยังไม่ได้เคยสะดับมาก่อนวันนี้ทุก นี่เหตุเกิดทุกข์นี่ความดับทุกข์นี่ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นต้นความรู้ที่ผุดขึ้นดังนี้ไม่ใช่เป็นความรู้ที่ปรุงแต่งแต่เป็นความรู้จริงส่วนความรู้ที่ปรุงแต่งนั้นยังไม่ใช่เป็นความรู้แต่เป็นความปรุงแต่ง สังขารอันรีกว่าสังขารแม่ความรู้ที่เป็นปริยัติคือที่เราเรียนอันได้แก่สนับกลับฟังอานท้องมนจำทรง ดังเช่นสนับรับฟังอ่านท่องบนญจำทรงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจำอริยสัจได้นี่ก็เป็นสังขารคือเป็นความปรุงแต่งขึ้นของผู้เรียนไม่ใช่เป็นความ รู้ของตนเองแต่เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนเอาไว้แล้วก็มาฟังมาจําทรงเป็นความจำเป็นความจําทรงซึ่งเป็นตัวสังขารคือเป็นความปรุงแต่งไม่ใช่เป็นความรู้ที่เป็นตัวปัญญาของตนเองจะเป็นความรู้ที่เป็นปัญญาของตัวเองนั้น ต้องเป็นความรู้ที่ผลขึ้นไม่ใช่คิดขึ้นไม่ใช่จําเอาไว้เป็นความรู้ที่ผลขึ้นโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้แต่งไม่ได้จบดังจะพึงเห็นได้ว่า ในปฐมเทศนาพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักแก่พระปัญจวัคคีได้จัดแสดงถึงทางที่ทรงปฏิบัติมาทรงละทางที่เป็นสุดตรงสองอย่าง ทรงปฏิบัติทางจะเป็นมัชชิมาซึ่งอยู่ใน่้มกลางไม่คล้องแวะด้วยทางสุดตรงทั้งสองนั้นอันได้เก็่มวมัดมีองค์แปดยินได้ตรัสรู้อริยสัจทั้ง 4, สี่ก็ทรงแสดงอริยสัจทั้งสี่และทรงแสดงพระญานที่มีวนรอบสามมีอาการสิบสอง ในอริษฎทั้งสี่และเพราะภริยานที่มีบนรอบสามมีอาการสิบสองในอภิษ์ทั้งสี่นี้บริสุทธิ์บริบูรณ์แก่พระองค์ยึงได้ทรงปฏิญญาพระองค์วัเดเตรัสรูแล้วดังนี้ ธรรมะเจสุคือดวงตาเห็นธรรมได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกนทัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดานี่เป็นตัวปัญญาจะเห็นธรรมะาจสุที่บังเกิดขึ้นแก่พระโกนทัญญะนี้ ไม่เกี่ยวแก่ถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าในตรัสแสดงในปฐมเทศนานั้นแต่เมื่อท่านพระโกลทันยะท่านได้ฟังแล้วท่านเข้าใจความเข้าใจของท่านนั้นก็ผดขึ้นมาแก่ท่านว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาคือท่านเห็นเกิดดับ ของทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็แหละอันทุกๆสิ่งที่เกิดดับนี้เป็นตัวสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งสิ่งที่มีที่เป็นขึ้นทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทุกอย่าง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงต้องเกิดดับเป็นธรรมดาเห็นเกิดเห็นดับคู่กันไปในขณะเดียวกันนี่เป็นตัวธรรมดาหรือเป็นธรรมะของทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในโลกที่มีเกิดขึ้นก็ต้องมีดับ นี่แหละคือตัวสังขารและเมื่อเห็นสังขารและเห็นเกิดดับของสังขารจึงชื่อว่าเห็นทุกข์เื่อกจรจัดสภาพที่จริงคือทุกข์ก็คือทุกข์กับอริยสัจ ท, ที่พระพุทธเจา้าแสดงไว้ ในปฐมเทศนานั่นเองแต่ว่าความรู้ที่พุทธขึ้นแก่ท่านนั้นไม่ได้อิงพัญญจนะถ้อยคำในปฐมเทศนาแต่ว่าเป็นความรู้ที่พุทธขึ้นซึ่งกล่าวได้ว่า เป็นอัทธรสหรือเป็นสาระคือแก่นสารของเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงนั้นอันจะเปรียบได้ว่าเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงหรือที่พระสาวกแสดงกันต่อมา ก็ตามซึ่งทุกๆคนได้สะดับรับฟังได้เล่าเรียนศึกษาได้ท่องบนจำทรงก็เหมือนอย่างอาหารที่จัดใส่ไว้ในสำรับและที่ทุกคน กดัดยิบบริโภคคืนนำเข้าใส่ปากอาหารเหล่านี้ก็ปรากฏเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้และเมื่อ น, นำเข้าปากเคี้ยวอาหารเหล่านี้ก็รวมกันและกลืนลงไป สู่ทองเมื่อเข้าไปสู่ทองแล้วก็ต้องย่อยให้โอชฉของอาหารนั้นแผ่ไปเลี้ยงร่างกายแต่หากว่าไม่ย่อยเอาโฉะของอาหารนั้นไปเลี้ยงร่างกายอาหารที่บริโภคเข้าไปนั้น ไม่ย่อยก็กลายเป็นพิษทำให้ปวดท้องทำให้เป็นโรคต่อเมื่อย่อยเอาโอชาไปเลี้ยงร่างกายและส่วนากากนั่นก็เป็นอาหารเก่าถ่ายทิ้งต่อไปใช้แต่โอชาของอาหารนั้นไปเลี้ยงร่างกายเท่านั้นดังนี้อาหารนั้นจึงจะสำเร็จประโยชน์ แผ่ไปเลี้ยงร่างกายได้ธรรมะที่ฟังก็ฉันนั้นก็เหมือนอย่างอาหารที่ยังใส่อยู่ในสำรับแม่ที่หยิบใส่ปากเคี้ยวก็เป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้นนนแต่ว่าที่จะเป็นธรรมะที่เป็นธรรมะจตุดวงตาเห็นธรรมขึ้นนั้นจะต้องใช้ปัญญาย่อยย่อย ให้เหลือแต่โอชาโอชาของถ้อยคำโอชาของปริยัติโอชาของแบบแผนส่วนที่เป็นกาบที่ไม่ใช่โอชานั้นก็วางทิ้งไปให้เหลือแต่โอชาฉันใดก็ดี เมื่อท่านพระโกทย่าฟังธรรมท่านก็ไม่ได้จับเอาพยัญชนะถ้อยคําไม่ได้จับเอาปริยัติแต่ว่าย่อยปริยัติคือย่อยถ้อยคํานั้นด้วยปัญญาที่พิจารณาจนได้โอชะของปฐมเทสนาของพริจิตรเจ้าผุดขึ้นแก่ท่านคือท่านเห็นเกิดดับ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเป็นความเห็นเกิดดับที่ผุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นข้อความในธรรมจากสุขของท่านพระโกนทัญยานั้นคล้ายๆกับเป็นคนละเรื่องกับปฐมเทศนาแต่อันที่จริงนั้นไม่ใช่เป็นคนละเรื่องแต่เป็นโตโอชาของปฐมเทศนานั้น อันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญะนั่นที่จะเห็นธรรมะได้นั่นก็อาศัยถ้อยคำนั่นแหละอาศัยปริยัตินั่นแหละแต่ว่าจับเอาโอชะของปริยัติของถ้อยคำนั้นได้เป็นสาระคือตัวแก่นสารจริงๆให้ความรู้ดังนี้ผุดขึ้น นั่นแหละจึงจะเป็นธรรมจรักตส่คือดวงตาเห็นธรรมเป็นวิชาและเมื่อเป็นวิชาแล้วก็สิ้นสงสัยไม่ต้องคิดปรุงแต่งกันอีกต่อไปแต่ที่ยังต้องปรุงแต่งกันอยู่นั่นก็เพราะยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ในสัจยะที่เป็นตัวความจริง ในข้อนี้เห็นได้ธรรมดาทั่วไปดังเช่นเมื่อเห็นอะไรทางตาเพราะอาวิชชาคือไม่รู้ในรูปิตาเห็นนั้นจึงได้ยึดถือแล้วก็ปรุงแต่งรูปนั้นว่านี่สวยนี่งาม นี่ไม่สวยนี่ไม่งามนี่เป็นสังขารคือปรุงแต่งขึ้นมาแล้วแต่งให้รูปอิตาเห็นนั้นว่างามบ้างไม่งามบ้างแล้วเมื่อแต่งให้เห็นว่างามบ้างไม่งามบ้างขึ้นแล้วกิเลสก็เกิดขึ้นจับทันทีเมื่อแต่งให้เห็นว่างามราคะความติดความยินดี โลภะความโลภอยากได้ก็บังเกิดขึ้นเมื่อเห็นว่าไม่งามก็ไม่สนใจหรือว่าโทสะปฏิฆะความหมงุดหงิดกระทบกระทั่งขัดเคืองก็บังเกิดขึ้นก็เป็นความปรุงแต่งที่เพิ่มเติมขึ้นไปเหล่านี้สังขารอันนั้นคือใจปรุงขึ้นทางนั้นว่างามก็ใจปรุงขึ้นว่าไม่งามก็ใจปรุงขึ้น ทั้งนี้ก็เพราะว่ายังมีอวิชชาคือไม่รู้คือไม่รู้ว่านี่คือสังขารรูปิตาเห็นนี่คือสังขารเป็นสิ่งที่เกิดดับเห็นรูปนั่นก็เป็นเกิดแล้วก็รูปนั้นก็ดับทันทีคือหมายความว่าการเห็นนั่นเป็นปัจจุบันแล้วก็เป็นอดีตไปทันทีเมื่อเป็นอดีตก็คือวันดับไปแล้ว อันที่จริงนั่นเมื่อคนเห็นอะไรทางตารูปที่ตาเห็นนั้นก็เกิดดับไปทันทีในขณะนั้นแล้วรูปอื่นเห็นรูปอื่นขึ้นอีกก็เกิดดับไปทันทีในขณะนั้นแต่คราวนี้ยังไม่ดับอยู่ในใจ เพราะว่าจิตใจนี่ยังมีอวิชชาคือไม่รู้ว่านี่คือตัวทุกข์เป็นตัวสังขารเป็นสิ่งที่เกิดดับเมื่อเป็นดังนี้จึงยึดถือยึดถือรูปนั้นมาตั้งอยู่ในใจเพราะฉะนั้นรูปนั้นจึงไม่ดับอยู่ในใจเป็นที่ตั้ง ของราคะบ้างของโทสะบ้างหรือว่าของโลภะบ้างโทสะบ้างสืบต่อไปนี่เป็นสังขารที่ปรุงแต่งทั้งนั้นคราวนี้ถ้าเมื่อเห็นรูปอะไรทางตาแล้วรู้ทันทีว่าเกิดดับรูปที่เห็นในบัดนี้เกิดไปในบัดนี้ก็ดับไปในบัดนี้แล้วคือผ่านไปแล้วเป็นอดีตไปแล้ว แต่เห็นเกิดดับทันทีดังนี้แล้วจะไม่เกิดความปรุงแต่งคือไม่ยึดเอารูปที่ดับไปแล้วนั้นมาปรุงแต่งในใจว่างงามหรือไม่งามแล้วก็เกิดชอบหรือเกิดชังขึ้นมาก็เป็นสังขารคือปรุงแต่งสืบต่อไปอวิชชาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือปรุงแต่งขึ้นดังนี้แต่ว่าท้ารู้แล้วก็จะหยุดปรุงแต่งทันทีไม่ปรุงแต่ง ลอยให้รูพิตาเห็นนั่นรู้ดับไปแล้วเสียงที่ได้ยินก็ดับไปแล้วจะเป็นเสียงสนเสิร์น เ, เสียงนินทาก็ดับไปแล้วเป็นรสผทพระเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในใจที่คิดที่นึกเกิดก็ดับไปแล้วคือเป็นอดีตไปแล้ว ท, ทันทีคู่กันไปกับเกิด เกิดดับเกิดดับเกิดดับไปทันทีดังนี้เรียกว่าจากสุธรรมวาจกสุดวงตาเห็นธรรมเมื่อเป็นวิชาขึ้นมาดังนี้แล้วก็จะหยุดไม่ปรุงแต่งในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ชอบแล้วก็ชังกันเป็นต้นต่อไปซึ่งเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ชอบหรือชังเป็นต้นต่อต่ไปนั้นก็เป็นความปรุงความแต่งทั้งสิ้นเป็นสังขารทั้งสิ้น คือใจนี่เองปรุงขึ้นขึ้นแต่งขึ้นแต่งเอาสิ่งที่ผ่านไปแล้วว่ายังมีอยู่อันนี้แหละเป็นสิ่งสําคัญคือไม่เห็นเกิดดับเพราะฉะนั้นความเห็นเกิดดับที่เป็นธรรมะจากสูนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญมากวางธรรมะทุกข้อทุกบทที่จะเป็นตัวธรรมะจากสูคือดวงตาเห็นธรรมนั้นือก็คือเห็นเกิดดับนี่เองและเมื่อเห็นเกิดดับ ก็ไม่ใช่หมายความว่าเห็นเกิดดับจะเพาะตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แต่ว่าทําให้เห็นเกิดดับในธรรมะคือในสิ่งที่เป็นปัจจุบันในโลกที่เป็นปัจจุบันนี้ทุกอย่างคือสิ่งที่มาประสบทางตาเป็นรูปที่ตาเห็นมาประสบทางหูเป็นเสียงที่หูได้ยินเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลิภัณฑ์ ที่จมูกที่ลิ้นที่กายได้ทราบและเป็นธรรมะเรื่องราวต่างๆที่ใจได้คิดนึกที่รู้เหล่านี้ทั้งสิ้นที่ประสบพบผ่านอยู่ทั้งขณะ น, นี้เมื่อประสบพบผ่านขึ้นมาไหนก็เกิดดับไปเหมือนนั้นทันทีคู่กันไปเลยไม่มีเหลืออยู่นี่เป็นวิชาเมื่อเป็นวิชาขึ้นมาดังนี้ได้จริงๆแล้วก็จะหยุดตรงหยุดแต่งหยุดยึด ไม่ยึดให้เป็นสัญญอดคือข้อที่ผูกพันจิตใจอยู่จิตใจไม่ผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ผูกพันจิตใจอยู่และไม่ปรุงแต่งว่าสิ่งเหล่านั้นงามหรือไม่งามดีหรือไม่ดีชอบใจหรือไม่ชอบใจกิเลส ท, ที่เป็นกองราคะโทสะโมหะก็ไม่บังเกิดขึ้นสิ่งล้นเป็นสังขารคือสิ่งปรุงแต่งทั้งสิ้นเพราะฉะนั้น ทำมะจตุที่เป็นตัวเห็นทุกข์นั้นจึงต้องเห็นเกิดดับและเมื่อเห็นเกิดดับก็ชื่อว่าเห็นทุกข์ฉะนั้นจะเห็นทุกข์ได้ก็ต้องเห็นสังขารคือเห็นว่าเป็นสังขารสิ่งผสมปรุงแต่งแล้วเมื่อเห็นสังขารก็จะเห็นเกิดดับของสังขารเมื่อเป็นอย่างนี้รวมเข้าไปเชื่อว่าเห็นทุกข์ ต้องอาศัยวิชาจึงจะเห็นทุกข์เห็นสังขารเห็นเกิดดับและเมื่อเห็นเป็นวิชาขึ้นดังนี้ก็หยุดปรงุงหยุดแต่งหยุดกิเลสได้ในสิ่งทั้งองค์เหล่านี้ในโลกแต่ที่ทุกคนยังต้องยึดยังต้องปรงุงยังต้องแต่งเป็นตัวสังขารอยู่นี้ก็เพราะอาวิชาคือไม่รู้คือไม่เห็น เกิดดับของสิ่งทั้งหลายในโลกในขณะที่ประสบพบผ่านทางตาทางหูเป็นต้นจึงต้องยึดต้องปรุงต้องแต่งใจนี่เองนี่เป็นสังขารคือการะสมปรุงแต่งตรงนั้นที่บังเกิดขึ้นใน จ, จิตใจอวิชชาจึงทำให้เกิดสังขารขึ้นดังนี้แล้วก็กล่าวได้ว่ารอเพราะวิชชานี้เองก็จะทำให้เกิดวิชชาขึ้น คือทำไม่เคยปรุงแต่งเพื่อที่จะรู้จะเห็นขึ้นดังที่เมื่อได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ดังที่ฉันนำมาแสดงนี้ก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาหรือในมักมีมองแสในมักมีมองแดความที่ตั้งใจปฏิบัตินี้ก็เป็นสังขารอีกเหมือนกัน คือต้องผสมต้องปรุงต้องแต่งต้องทำให้เป็นศีลขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นมรรคในองค์แปดขึ้นมาและเมื่อปฏิบัติได้ดังนี้ก็จะได้วิชาคือความรู้ตรงกันข้ามกับวิชาคือวิชาก็จะดับไปวิชาก็จะบังเกิดขึ้นก็จะทำให้หยุดปรุงหยุดแต่งในที่สุดได้เพราะฉะนั้นก็กล่าวได้อีกว่า ก็พระวิชานี่เองเป็นปัจจัยให้เกิดปรุงแต่งเพื่อที่จะรู้เป็นวิชาขึ้นมาและเมื่อเป็นวิชาขึ้นมาแล้วิชาดับก็หยุดปรุงหยุดแต่งเพราะว่ารู้แล้วก็ไม่ต้องปรุงแต่งกันทําไมดังที่แล้วเมื่อเห็นเกิดเห็นดับทุกๆอย่างที่ประสบพบพ่านทางตาทั้งหูเกิดดับอยู่ในปัจจุบันทุกอย่างไม่มีอะไรเหลืออยู่ก็ไม่มีอะไรที่จะไปยึดถือ เพราะว่า ด, ดับไปแล้วจึงไม่ต้องคิดปรุงคิดแต่งว่า ง, งามหรือไม่งามดีหรือไม่ดีแล้วก็เกิดยินดีหรือเกิดความยินร้ายก็เป็นอนันวมตหมดเรื่องกันไปเพราะฉะนั้นวิชาจึงเป็นอ า, อาวิชาจึงเป็นเหตุให้เกิดสังขารคือความปรุงแต่งและเมื่อเป็นวิชาขึ้นมาก็หยุดสังขารคือความปรุงแต่งได้ ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทาความสงบสืกต่อไปวันนี้จากแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้น ก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาถพรหันตะสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงอธิบาย ข้อสมมาทิฏฐิความเห็นชอบตามพระเถราธิบายของท่านพระสาริบุตรมาโดยลำดับพระเถราธิบายของท่านนั่น ก็ได้แสดงข้อสมาธิิจับตั้งแต่เบื้องต้น